ขั้นสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอกุอศลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศล แ, และที่เป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่ง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 ขันหนึ่งที่เป็นอกุศล น, นเกิดขึ้นขันห น, น, นึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤิษอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะสหชาตปัจใจได้แก่จิตตจสมุฐานรูปอาศัยขันที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอพยกฤษ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 มหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ II, ้นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสำหรับเราอสัญญาสัตตพรมมหาภูตรูปสาอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดข in claro. ึ้นมหาภูตรูปหนึ่งอาศัยมหาภูตรูปสามเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นกตัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น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 อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยก ฤ, ฤิเกิดขึ้นเพราะปุเรชาตปัจจัยได้กแก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอัพยากตวิบากและที่เป็นอัพยกตกิริยาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นขัน 6, อาศัยหาไทยวัตถุกเกิดขึ้นเพราระปุเรชาตปัจจัยอาเสวนปัจจัย62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 ขันหนึอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นขันอาศัยหไทยวัตถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤต อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตจมุตฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นขันหนึ่งและจิตตจมุตฐานรูปอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองและจิตตจมุตฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นขันอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยจิตตจมุตฐานรูปอาศัยขันเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัย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 ขันอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยจิตตะมุฐานรูปอาศัยขันเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตาปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันสามและกะตัตตารูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอพยกตวิบาเกิดขึ้นขันหนึ่งและกะตัตตารูปอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองและกะตัตตารูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นขันอาศัยหทัยวัตถุเกิดขึ้นเพราะวิปยุตตปัจจัย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 เมงเล็บอวิกตปัจจัยเหมือนกับสหาชาตาปัจจัยผู้สาธยายพึงขยายปัจจัยยีบสเหล่านี้ให้พิสดารหนึ่งปัจจยานุโลมสองสังขยาวานคณะนาเหตุมูลกไนเจ็ดสเหตุตูปัจจัยมีเก้าวาระอารามณปัจจัยมีสามวาระอธิปฏิปัจจัยมีเก้าวาระ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 อธิปติปัจัยกับเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยมีสามวาระอนันตรัปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยมีสามวาระสมนันตรัปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยมีสาวาระสหชาตปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยกับเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยมีสามวาระนิตยปัจจัยกับเหตุปัจจัย